เมื่อวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมาที่โรงเรียนยุงทองท่านนิมณ์ฝ่ายพระสงฆ์ด้วยทั้งหน่วยราชการทันในอำเภอนายูงจักชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอนายูงตอนรับผู้ว่าพร้อมกันท่านอนิมณ์พระสงฆ์หลวงพ่อเป็นหัวหน้า กิพระอาจารย์ชาลีพระอาจารย์สดอาจารย์สดไม่ได้มาเมื่อวานสงสัยท่านเปลี่ยนเวลาที่แรกเขาจะมาสิบเอดโมงท่านผู้ว่าจะมาสิบเอดโมงแต่พอมาเปลี่ยนมาเก้าโมงท่านสดคงมาไม่ได้เพราะอยู่ไกลก็เลยไม่เห็นมาเมื่อวานท่านผู้ว่าก็มาเยี่ยมเยิยนพี่น้องประชาชนท่านก็ติดธุระเป็นผู้ใหญ่เป็นอย่างนไงน่ะ ไม่รู้ว่าาละทุระอะไรอลุงตรงนังจะไปที่ไหนจะไปอย่างที่ตัวเองต้องการไปก็คงไม่ได้มีเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องบนก็คือเจ้านายผู้บังคับบัญชาทั้งทราบว่าทางแม่ทพัพภาคสองมั้งจะมีอะไรมาประชุมที่อุดรท่านผู้ว่าก็จะยกทางนี้หาวันใหม่อีกท่านในอำเภอก็บอกว่าเตรียมท่ามานานแล้ว จะยกไปอีกก็ไม่รู้จะวันไหนขอท่านผู้ว่ามาวันนี้เถอะเพราะงั้นท่านผู้ว่ากเลยแบีบทั้งสองข้างเพราะงั้นข้างล่างข้างบนข้างล่างก็เลยตกลงกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอนายูงไว้แล้วว่าจะมาวันที่สามสิบเอ็ดแต่ทางนู้นก็สั่งมาจะมาที่อุดรมาที่สามสิบเอ็ดเหมือนกันทางนู้นก็หนีไม่ได้เหมือนกันจะต้องมาวันนี้เลย ทังนี้ก็หลีกไม่ได้เพราะได้เตรียมการไม่แล้วเนี่ยจะ ต, ต้องมาเนี่ยผลที่สุดก็ท่านผู้ว่าอยากจะให้รองมาทางอำเภอเนี่ก็อบรได้เตรียมรองรับท่านแล้วแต่ว่าตามให้จริงรองมาก็ได้ก็ดีแต่ก็จะให้เหมือนผู้ใหญ่มาก็ไม่ได้เพราะพ่าผู้ใหญ่นี่แปลว่าสุดเด็ดขาดสุดอยู่ตรงนั้นทางว่ามีอะไรเรียนรองท่านผู้ว่าเออ เดี๋ยวผมจะไปเรียนท่านผู้ว่าก่อนนะ่อยไปยังมีอีกชั้นหนึ่งไนวะ้แต่ถ้าหากว่าสิ่งที่จะตัดสินใจในจังหวัดได้นะก็ต้องผู้ว่าเป็นผู้ตัดสินใจเหมือนกับเป็นนายอำเภอเลยผู้กำกับหนะัวหน้าวัดนะกเกี่ยวกับวัดก็ต้องหัวหน้าวัดถ้าผู้รองลงไปก็ต้องเอ้ยไม่มั่นใจต้องถามกูบายอาจารย์ซะก่อนเนละอันนี้ก็เหมือนกัน ทางว่ารองมาอย่างนี้ก็ถามมีเรื่องถามท่านท่านเขาคงจะถามท่านผู้ว่าก่อนแต่ถ้าท่านผู้ว่ามาเองก็จบแต่หลวงพ่อก็เลยบอกเมื่อวานนี้บอกว่าท่านผู้ว่ามาให้เวลาแก่พี่น้องประชาชนชาวอาเภอนายุงน้อยเกินไปเที่ยงก็จะกลับแล้วอันนี้ก็แปดเก้าโมงแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะไม่พูดอะไรมาก ก็มีเวลาน้อยมีเวลาจำกัดที่หลวงพ่อจะพูดที่จะให้หลวงพ่อกล่าวสมุมนิยคาถาท่านผู้ว่าเขามาจะรีบกลับแต่ตามไม่จริงก็หลวงพ่อโาน่าเสียใจกับพี่น้องประชาชนชาวอเาเภอนายูงนานทีผู้ว่าจะได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมือง ผู้วารัชการจังหวัดเจ้าเมืองอุดรมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในชนบทพวกเราจะได้ถามปัญหาข้อข้องใจเราก็จะได้ถามปัญหาได้แต่นี้พราว่ามีเวลาจำกัดเหลือเกินอันนี้จุดนี้เป็นที่น่าเสียใจน่าจะให้เวลาพวกเราสักหนึ่งวันเต็มๆพวกเราจะได้ถามเรื่องต่างๆได้แต่ก็อย่างว่าท่านมีภาระธุระมาก แล้วก็หลวงพ่อเองก็คงจะไม่พูดมากอีกเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อเองก็จะพูดอะไรมากก็คงจะพูดไม่ได้หลวงพ่อก็ได้เรียนได้ศึกษามาน้อยเหลือเกินหลวงพ่อศึกษามากับครูบาอาจารย์ตั้งแต่บวชหลวงพ่อขอเล่าประวัติของหลวงพ่อให้ฟังก็ได้หลวงพ่อบวชมาแต่อายุสิบเอ็ดิบสองปีเป็นสมัมมเณนเป็นสมัมมนเณนอยู่แปดปี บวชเป็นพระปี08ก็ถึงมาขนาดนี้แหละชีวิตของหลวงพ่อฝากไว้ในพระพุทธศาสนานับดูก็แล้วกันจาก08แล้วก็นันบ8เติมเข้าไปอีกเพราะเป็นสา ม, มัญเอนรวมกันเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือชีวิตของหลวงพ่อถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเนี่ยกเกษียณอายุแล้วแก่ก็ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าเนี่ยยังทํางานอยู่ แต่หลวงพ่อเกษียณมาได้สามปีแล้วหลวกพ่อหกสิบสามปีเกษียณมาแต่ว่าถึงจะเกษียณก็เถอะเป็นผู้แก่ก็เถอะแก่อยู่ในป่าในดงแก่อยู่ในป่านรงพงไพ่ไม่เหมือนท่านผูว่าท่านผูว่าเนี่ยแก่คุณภาพแก่ความรู้ความฉลาดแก่การปกครองให้ความอบอุ่นแก่พี่น้องประชาชนแต่หลวงพ่อเนี่ยแก่ป่าแก่ดงแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ได้รับการศึกษามาน้อยมาก ทำไมจึงว่าน้อยมากเพราะเขามาบวชใหม่ๆครูบาอาจารย์ขั้นก่อแนะนำให้นั่งภาวนานะก่อนจะเรียนเขาว่าให้หลับตาก่อนมันแตกแตกต่างขอวิชาทางโลกเขามากวิชาทางโลกเขาต้องขึ้นกระดานต้องเขียนกอไก่ข้อไข่หนึ่งสองสามอบีซีดีต้องขึ้นกระดานแล้วก็ใช้ความจดจำ เรียนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกเรียนแล้วเรียนอีกอกว้างขวางแต่สําหรับหลวงพ่อพอเข้าไปหลับตานะให้ท่องพุทโธพุทโธนะก็หให้เรียนก็ให้เรียนแต่พุทโธอย่างเดียว vel, อีกต่างหากถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อเนี่ยเรียนน้อยมากให้หลับตาอีกต่างหากไงว่าให้บริกรรมพุทโธพุทโธทเท่านั้นอีกถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อเนี่ยการศึกษาของหลวงพ่อน้อยมากเพราะนั้นจะ ไปบรรยายที่ไหนจะไปพูดที่ไหนจะพูดให้กว้างขวางให้พี่น้องประชาชนเข้าอกเข้าใจในเนื้อหาสาระธรรมะหรือการเป็นอยู่เศรษฐกิจพอเพียงก็คงจะพูดแต่ยากพอหลวงพ่อเรียนมาน้อยแต่ก็เอาเถอะหลวงพ่อเรียนมาน้อยหลวงพ่อก็จะพูดแบบน้อยๆให้ฟังคือคนเราในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ดูใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจที่หลวงพ่อเรียนก็นเรียนวิถีทางเดินของใจให้ดูใจของต น, นเองให้รู้จักวิธีคิดให้รู้จักวิธีสงบสงบทํำยังไงทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งและก็สอนวิธีการคิดให้คิดยังไงอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อมาเรียนมาเรียนมาเรียนวิชาทางใจเท่านห้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าจะยกเป็นบาลีขึ้นมาก็ว่า มโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจคนจะดีหรือจะชั่วใจต้องเป็นผู้ใจต้องเป็นต้นเหตุซะก่อนประเทศชาติโลกก็เหมือนกันโลกจะล่มเย็นเป็นสุขได้ก็คือหัวหน้าใจเป็นหัวหน้าอย่างโลกจะสงบล่มเย็นเป็นสุขได้หัวหน้าต้องเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้มีปัญญา ทุกวันนี้หัวหน้าโลกก็คือคือใครกันก็คือท่านบุตรนะจอร์ดบุตรแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นคนมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมในใจก็ให้ความอบอุ่นให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับโลกแต่ถ้าหากว่าท่านไม่มีคุณภาพคุณธรรมโลกก็ต้องเดือดร้อนวุ่นวายเพราะท่านเป็นหัวหน้าถ้าหากว่าหัวหน้าประเทศนายกรัฐมนตรีมีคุณภาพมีคุณธรรม กประเทศนั้นก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้าหว่าจังหวัดไหนก็ตามเพราะว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมจังหวัดนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขตลอดถึงนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าวัดถ้าหัวหน้าวัดไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณภาพปกครองลุกศิษย์ลูกหาก็เดือดร้อนวุ่นวายไปอีกอไม่ตั้งอยู่ในกรอบของธรรมวินัย ครอบครัวใดก็ตามหัวหน้าครอบครัวไม่อยู่ในคุณธรรมกินเหล้าเมายาสุรานารีครอบครัวนั้นก็รัศมีรัสารอีกเหมือนกันตอนนี้มาหาใจของพวกเราอีกใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจของแต่ละคนนั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งหญิงทั้งชายที่นั่งอยู่นี้มีลูกน้องอยู่สองคนมีลูกน้องอยู่สองคือกายกับวาจาตาว่าใจของเราคิดไม่ดี คิดไปในทางอกุศลไม่มีศีลธรรมจริยธรรมในจิตในใจการพูดออกไปด่าทุนั่นด่าคนนี้เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดแต่าการกระทําออกไปตเตนะคนนั้นถีบคนนี้เออหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะใจไม่ดีเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนานใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นท่านจึงให้ดูใจถาว่าใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปด้วย ใจเป็นนักเลงใจเป็นเกเรใจขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแล้วโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะหัวหน้าไม่ดีเพราะนั้นการจะพัฒนาประเทศชาติหลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่องพัฒนาคนก่อนถ้าคนไม่ดีเสอย่างเดียวจะพัฒนาอย่างไรก็พัฒนาไปเถอะมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งหมดถ้าคนในชาติขาดที่หลีก อ, อตปะสองอย่าง ฮิริคือความละอายแก่ใจโอตะปะคือความกลัวต่อบาปไม่มีในจิตใจของคนในชาติแล้วคนในชาตินั้นจะจุ้งเหยิงวุ่นวายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละคอเชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมแต่บางคนก็เออทําทกรรมชั่วเห็นไหมผมไปซื้อเสียงมาผมก็ได้เป็นถ้าคนไม่ซื้อไม่เห็นได้เป็นนี่สิแค่ท่าน ไ, ม, ไ ม, รรม่ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อกรรม ตวกรรมการกระทําของตอนเองเนะี่ย้าไปซื้อเข้าไปแล้วเป็นยังไงทีนี้ก็นเะ่ยเขาสอบสืบสอบได้แต่นั่งจุกปุกเนี่ยผลที่โช ก, ก็โดนเขาไล่ออกอีกต่างหากพเพราะอะไรเพราะเข้ามาโดยที่ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์แต่ตามไม่จริงก็โต ว, ว่าคนไหนผ่านไปได้ก็เออว่าถือว่าคนนั้นฉลาดไปอพวกเราทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังที่ว่าเป็นลูกน้องบริษัทบริวัรก็บอกว่าโอ้ลูกพี่ของเราเป็นฮีโร่ ยกให้เก่งจริงๆเอสามารถทําความชั่วแล้วเป็นเป็นใหญ่ได้ดีขึ้นมาแต่ตามไม่จริงการใหญ่อย่างนั้นเป็นใหญ่ที่ไม่ถูกต้องในหลักธรรมแปลว่าขาดที่หลคือความละอายแก่ใจไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวเองว่าตัวเองทําผิดหรือทาถูกถ้าทําในกฎกติกาแล้วก็เออนะัอ้นใหญ่นายกย่องนับถือแต่ถ้าว่าทําอย่างนั้นขึ้นมาได้แล้วคนอื่นทําทําอย่างตัวเองบ้างละ่ะ ถ้าตัวเองเป็นใหญ่ขึ้นมาล่ะตัวเองจะพอใจไหมต่างคนก็ต่างทําอย่างที่ตัวเองทําต่างอย่างที่ตัวเองประพฤติเหมือนกับพ่อปูแม่ปูสอนให้ลูกปูเดินให้มันตรงจะไปตรงได้ยังไงเพราะตัวเองเดินโค้งมาแล้วสิ่งเหล่านี้มันน่าคิดทางนั้นถ้าว่าพวกเราอยู่ในชุมชนและสังคมประเทศชาติเพราะนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดในลักษณะอย่างนี้แหละการพัฒนาคนต้อง การจะพัฒนาประเทศชาติต้องพัฒนาคนก่อนหลวงพ่อเขาบอกว่าเนี่ยเลขาสภาพัดที่ท่านมาทอดกระถินทอดพระป่าวัดหลวงพ่อท่านก็มาถามหลวงพ่อเอ๊ะหลวงพ่อเนี่ยจะเขียนแผนพัฒนาประเทศชาติแผนที่สิบนี่หลวงพ่อว่ามีจะเขียนในลักษณะไหนในความเห็นของหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็ตอบแบบไม่ได้คิดเลยพ่งออกไปเลยบอกว่าต้องเขียนเรื่องพัฒนาคนก่อนถ้าคนไม่ดีแค่อย่างเดียวเท่านั้น คนเต็มไปด้วยอาบายามุกเต็มไปด้วยนักเลงหัวไม้เต็มไปด้วยลักเล็กขโมยน้อยในชาติจะพัฒนาอย่างไรขึ้นไปมันก็เป็นไปไม่ได้ถึงจะสร้างรู้าโออาขนาดไหนก็เถอะต่อไปภายภาคหน้าพวกนี้หละทรัพยากรของชาติจะไปบ่อนทำลายไปสังหารทรัพย์สมบัติที่หามาได้เหล่านั้นย่อยยับไปหมดเพราะคนในชาติไม่มีคุณภาพเพราะนั้นต้องเขียนแผนพัฒนาต้อง คนมาในอันดับหนึ่งถ้าคนดีเสีอย่างเดียวเท่านั้นแนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหลั่งไหลมาความสงบพร้มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมประเทศชาติของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ปรับปรุงคนในชาติเองดีแล้วประเทศชาติจะเดินหน้าไปอนยะยังมองไม่เห็นมืดมนอันตการว่า ง, งั้นพวกฝนเวียนกันอยู่อย่างทุกวันนี่นะ เพราะเหตุไรพวกคนในชาติขาดคุณภาพขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมขาดจริยธรรมขาดที่ริขา ด, รรขาดอุตตปะอ่าเพราะฉะนั้นให้พวกเราต้องพัฒนาคนก่อนถ้าทรัพยากรคนดีแล้วยังค่อยว่า ก, การต่อไปแล้วก็ทุกหน่วยทุกเหล่าทุกหน่วยทุกเหล่าทุกส่วนราชการถ้าจะว่าไปแล้ว เงินดําเงินเดือนทุกๆุกคนก็มีแต่ให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้แต่ทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่พอเพียงก็เพราะเหตุลไยเพราะว่าทุกคนในชาติมีความโลภทะเยอทะยานเกินตัวทําไมเรามีเงินเดือนวันละถ้าตกลงเดือนละสามหมื่นสามหมื่นกับวันละพันบาทเดือนละวันละห้าร้อยอย่างนี้ แต่ชาวบ้านเขาก็วันวันละร้อยกว่าบาททํางานประจำวันของเขาวันละร้อยกว่าบาทแต่วันละร้อยกว่าบาทนั้นหรือวันละข้าราชการเอากล่าวว่าวันละสามถึงห้าร้อยจ้ะเอาวันละห้าร้อยก็แล้วกันวันละห้าร้อยเราก็รู้แก้ใจว่าเราได้วันหนึ่งวันละห้าร้อยบาทค่าน้ำมันรถเราเท่าไหร่ค่าอาหารเท่าไหร่ค่าของใช้ของเราเท่าไหร่ ที่จำเป็นจะต้องด้ใช้ถ้าท่าว่่เราใช้เกิน ก, กว่านั้นก็แสดงว่าเราบริหารจัดการกับตัวเองไม่ถูกละเศรษฐกิจของเราไม่พอเพียงละแต่ถ้าที่เราใช้อยู่ในกรอบวันละห้าบาทเราก็เศรษฐกิจของเราก็จะพอเพียงไปเรื่อยๆแต่ก็คงจะให้เหลืออีกต่างหากเพื่ออนาคตเจ็บใข้ได้ป่วยวันข้างหน้าทุกคนจะต้อง มีความจำเป็นจะต้องได้ใช้พระเจ้าให้เหลืออีกถ้าว่าเราวันละห้าร้อยเราก็ต้องใช้วันละสี่ร้อยบาทร้อยบาทให้เหลือเอาไว้เพื่ออนาคตอย่างนั้นเนี่ยจึงจะพอเพียงแต่ถ้าว่าใครใช้วันละหกร้อยหรือเรียว่าห้ารอยห้าสิบอย่างเนี้ยนั่นแหละห้าร้อยห้าสิบาทนั่นนะกับหนึ่งร้อยบาทนั่นนะจะเป็นดินพอกหางหมูเออความทุกข์จนและความเป็นหนี้สินจะเกิดขึ้นกับ ครอบครัวนั้นๆจะหาความสงบร่อมเย็นเป็นสุขในครอบครัวไม่ได้อันนี้ก็คือเศรษฐกิจไม่พอเพียงแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของท่านเองถ้าว่าท่านใช้ไม่รู้จักประมาณในการใช้นั่นแหละครอบครัวของท่านก็จะเดือดร้อนให้รู้จักหาหาก็คือหาในทางสุดจริตหาด้วยที่ว่าเราไม่พอใช้เราจะหาอย่างไงจึงจะได้เงินมา คือความสุดจริตไม่ใช่คดไม่ใช่โกงไม่ใช่ป่นจี่เบียดบังอันนั้นแปลว่าหาในทางทศจริตไม่ถูกต้องต้องหาในทางสุดจริต เ, เมื่อได้มาแล้วก็นั่นแ่ะเอามาใช้ในครอบครัวให้รู้จักหาถ้าขยันหาถึงขนาดไหนก็ตามถ้าไม่รู้จักเก็บเหมือนกับกระป๋องก้นรั่วอย่างนี้อมันคุณภาพมันเสื่อมเสียไปหมดอย่างรถยอนต์อย่างเนี้ย ถ้ายางมันรั่วนี่ก็ไร้คุณภาพเข้ามาแล้วแปลว่าหมดคุณภาพกระป๋องก้นรั่วใจของคนรั่วใช่ไหมเนีก็ไร้คุณภาพอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้รู้จักเก็บอีกให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บและก็ให้รู้จักใช้ใช้ก็ให้รู้จักประมาณในการใช้เรามีฐานะการเงินของเราอย่างไรแต่ละวันถ้าว่าพวกเราทําได้อย่างนี้นะความสงบร่้มเย็นเป็นสุขในครอบครัว ก็จะไปได้ดีนะหลวงพ่อว่านะนี่แหละอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูกันแล้วกันว่าจะปลดหนี้ส่วนรัศการลงจะไปปลดได้ยังไงเพราะความโลภของส่วนรัศการนั้นยังไม่ลงนี่รถมอเตอร์ไซค์ปลดหนี้รถมอเตอร์ไซค์ยังมีรถปิกอัพยังมีรถเก๋งอีกยังมีบ้านอีกยังมีทรทัศวิทยุอีก เออังมีโทรศัพท์มือถืออีกจะไปปดอะไรถ้าว่าไม่รู้จักประมาณในการใช้ของตนเองแนะล้วปดไม่ลงปลดนี่อย่าไปคิดปดโดยปดนี่ให้ปดความโลภของคนในชาติลงท่านั่นเองให้รู้จักประมาณในการใช้นั่นแหละความสงบร่อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดในชุมชนและสังคมของพวกเราถ้าว่าพวกเรายังส่งเสริมกันอยู่เอย่างนี้นะมีอะไรก็กู้หมดนะ ทกศ ก, กู้สหกรกกู้ อ, อมสินกกู้ธนาคารไหนมีอะไรกู้หมดฮะไม่กู้แต่ระเบิดปบงนั้นถ้าระเบิดแล้วก็ไม่กู้แบงนั้นให้ตำรวจกทหารไปกู้กันนอกนั้นละกู้หมดเพราะนั้นคนในชาติของเราจะสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าว่ามีการฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟอืออยู่อย่างนี้ เพราะนั้นถึงจะพูดยังไงสอนยังไงแนะนํำยังไงก็ต้องพัฒนาคนก่อนเนี่ยถึงจะไปสู่จุดหมายปลายทางได้หลวงพ่อว่านะอันนี้เป็นความเห็นของหลวงพ่อนะเป็นพระป่าอยู่ในป่าในดงอ่อยู่ในป่าอย่างว่าบุกป่าพาดงไปเรื่อยเนี่ยอาจจะไม่ถูกกับผู้ที่เจริญเขาเจริญแล้วว่างั้นเถอะเออแต่หลวงพ่อว่าในหลวงท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย ถ้าว่าพูดอย่างหลวงพ่อเนี่ยอาจจะพอเพียงได้ถ้าว่าคนที่จะพูดโ๊ยงอมืองอเท้าอยู่เฉยเฉยจงจะได้ยังไงประเทศชาติมันต้องกู้หนี้ยืมสินสิเอเออามามากมากถ้าพอจะทำยังไงได้เราได้เปรียบเขาเอาหมดถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกอนเดือดร้อนวุ่นวายหรงพ่อว่านะ เขาคงจะเจริญรุ่งเรืองในความคิดของคนยุคใหม่สมัยใหม่แต่ยุคสมัยในหลวงและสมัยหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อว่าเนี่ยนี่แหละ เ, เศรษฐกิจพอเพียงก็คือให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใชใ้รู้จักประมาณตนนะความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายข้างนอกนะใจของเราจะยุ่งเหยิงวุ่นวายไปด้วยเหมือนกันหัวหน้าเนี่ยปั่นป่วนไปหมดเั้ืนกั มองอะไรมีแต่มืดมนอนตะการเหมือนกับเข้าอยู่ในควันไฟเหมือนกันเถะไม่รู้จะออกทางไหนอยู่ในมลสุมทางลมทางฝนปั่นป่วนไปหมดแต่ถ้าว่าพวกเรารู้จักประมาณในการเป็นอยู่นะความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็จะมองได้เห็นได้มองดูตัวเองท่นี่มองดูตัวเองตนะัวเองนั้นคือใครคือใจอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ ชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบจุดจบของชีวิตคืออะไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นคนคนไปผู้เฒ่าผู้แก่ผ่านไปเรื่อยๆไม่ว่าเด็กผู้หนุ่มลมหายตายจากไปเรื่อยนั่นะจุดจบของชีวิตเพราะนั้นพวกเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่พยายามทำดีที่สุดหมั่นขยนันอดทนเอย่ยเอาแต่ใจตนเองพวกเราเกิดมา เอาแต่ใจตนเองจะดีได้ที่ไหนนะมีแต่เอาใจตนเองต้องมีเหตุมีผลในการเป็นอยู่เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสังสมคุณงามความดีเอาไว้หลวงพ่อพูดไปที่ไหนหลวงพ่อเขาจะพูดว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะว่าหลักพิสูจน์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวเอาไว้แล้ว ถ้าพวกเราอยากจะรู้กันนั่งภาวนาทําจิตให้สงบแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วจะไปยังไงดวงวิญญาณ น, นั้นจะเห็นได้ชัดเอเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะเห็นได้ชัดด้วยตนเองกายกับใจเป็นคนละอย่างคนละอันกันเพราะนั้นที่วัดใจนั่นแหละร่างกายแตกสลายแต่ใจนั้นจะต้องไปปฏิสนที่ไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะพาหนุน พลักดันไปเหมือนกระดินงปะเสีวกระดินงปืนอย่างนั้นแหละผลักดันลูกกระสุนไปถ้าว่าเราอทําไม่ดีมันก็นดันลงทางต่ําเหมือนกันเถอถ้าว่าเราทํากรรมดีมันก็นดันขึ้นไปทางสูงนั่นแหละถ้าจะว่าไปแ ล, ล้วกรรมคือการกระทําของพวกเราเนี่ยแหละควรจะทําแต่กรรมดีกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลัง ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอาักตังลุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลังเพราะนั้นถ้าทํากรรมดีแล้วกรรมดีจะตามสนองให้มีความสุขความเย็นใจความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นการทํากรรมดีนําความสุขมาให้ทั้งภพนี้ชาติชาตินี้และชาติต่อไปด้วยนะ ชาตินี้ก็เราทํากรรมดีเราเรียนดีเราหาเงินโดยทางสุจริตนะความเจริญรุ่งเรืองความภัฒสุขก็จะเกิดขึ้นถ้าเราไปป่นไปจี้ไปโคดไปโกงไปเบียดไปบังไปฆ่าไปตีเขาเนะี่ยนั่นแหละทํากรรมชั่วนะกรรมชั่วก็จะพาสนองเขา้าคุกเข้าตารางไม่มีวันออกหรือว่างั้นเหรเพราะนั้นนะกรรมชั่วกับกรรมดีแยกทางกันนะไปคนละทิศทางกรรมชั่วก็ไปทางต่ำกรรมดีก็ไปทางสูงนะ เพราะนั้นพวกเราเมื่อได้พบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะทําแต่กรรมดีนะกรรมชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่าเนะพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังนะนะนะ เ, เมื่อเราทําไปแล้วกรรมชั่วนี้จะตองตามแล้วท่านเะนะพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดในการของชีพในการเป็นอยู่ในการนาลงชีวิตของตนเองนะทางว่าทําแนวแถวพุทธศาสนาหรือ แน่ตามแนวแถวของพอระพุทธเจ้าบอกกล่าวไว้พวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเย็นใจนะอนตอนี้ไปรับพรหลวงพ่อจะอนุโมทนาให้